ช่วงนี้จะยุ่งก็ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คือไม่มานหนักโค้ทยิ่งคเออครับเราต้องรอีกค่ะคือคิดได้เดยอะเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์พูดแล้วคะคือไปชอบมักเรื่องที่บอกว่าคนเนี้เป็นเวนเป็นกรมท่าสมมติว่าเขาแบบทาอะไรไม่ดีต่อกันแล้วก็ทําให้เ ป, ปเป็นบาปเป็นบาปเป็นบาปอางนี้แล้คะเลยคิดได้จริงๆว่ามันจริงกว้างๆเลยนะคะว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะกระหก็ตามมันรู้สึกว่า ถ้ามันเป็นเหมือนเนี้ยมันมันมันเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ยอมรับความจริงได้แย่เร็วแล้วค่ะโอแล้วก็สบายใจเป็นเช่นเดียวกแต่ว่าก็หวังว่ามันจะไม่ขึ้นขึ้นลงลงมากแต่ว่าวันนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงมากขนาดนั้นแลค่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันถึงใจมันถึงโปร่งขึ้นมาพ่อเพราะว่าเห็นความจริงใช่ค่ะทีนี้การการที่เราจะไปเข้าใจความจริงตรงนี้ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นเอง นั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งหนูก็จะต้องไปไปฝึกในการที่จะดาเนินการในการวิจัยแยกแยะต่อสิ่งที่หนูต้องไปมองก็คือว่าอย่ามองคนแคีงมุมเดียวคือมนุษย์เราเนะี่ยมันมีหลายมุมที่เราจะมองมากเลยแล้วฝึกมองหลายหลายมุมอย่าไปมองมุมใดมุมหนึ่งซ้าๆ ถ้าหนูอยากจะให้คิดถึงเขามากๆหนูก็มองส่วนดีเขาเยอะๆหนูก็จะรักรักเขาอย่างมากเลยถ้าหนูอยากจะเกลียดเขาก็มองส่วนแย่เขามากๆๆๆๆหนูก็จะเกลียดครับหรือถ้าหนูไม่อยากจะไปเขาพูดยังไงก็เชื่อพูดยังไงก็เชื่อก็อย่าไปแยกแยะเหตุและผล เนี่ยเนี่ยก็จะหรือไม่อย่างนั้นถ้าหนูกลัวกลัวจะไม่ได้อยู่คนนี้อะไรทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยกลัวว่าเขาจะไม่โทรหาเรากลัวจะไม่มาหาเรากลัวจะไม่รักเราเนี่ยถ้าหนูไปตั้งประเด็นต่างๆตรงเนี้ยหนูก็จะต้องป้องกันทุกอย่างทําทุกวิถีทางเพื่อให้หนูได้ตรงนั้นมาใช่ไหมสรุป ก, ก็คือกรณีเนี่ยมันเป็นให้มองเป็นกรณีศึกษา แล้วกับคนทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมด อ, อ, อย่างที่บอกไว้งไงว่าเราจะมองเป็นบุคคลพิเศษใช่จ้ะค่ะอันนี้ก็เห็นมาว่า<ช>มองเป็นบุคคลพิเศษแล้วอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกนี่แหละว่าถ้าเราเราไปให้ความสำคัญกับใครมากโดยเฉพาะปู้ดูชนคำว่าปู่ถูนึก็ปกไปว่าหนากิเลสน่นหนา ความโลภเรายังหนาอยู่ความโกรธเรายังหนาอยู่ความหลงเรายังหนาอยู่เนี่ยในความเป็นบุรุษชนทั้งนี้ถ้าเรายังยังยังเป็นในลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยแปลว่าเรามีโอกาสที่จะไปมัวเมาลุ่มหลงไปได้เรื่อยๆนั้นมนุษย์เราจึงต้องพัฒนาขึ้นมาฝึกตัวเองขึ้นมาที่จริงด้านพฤติกรรมด้านจิตใจเนี่ยนะมันก็ต้องฝึกอยู่แล้วแต่ด้านที่สําคัญที่สุดมันคือด้านปัญญาสิ่งที่หนูไม่ทุกใจนเนื่อาหนูมีตัวเนี้ย ไอตัวปัญญาตัวเนี้มันเป็นตัวนำจิตพอปัญญามานำาป้พึ้นมามันคิดออกว่าอ๋อจริงๆเราไม่อยากจะเป็นคู่เวนกับใครอีกแล้วก็คือไม่อยากจะเป็นเขาเรียกวรีรบุคคลคำว่าเวรีบุคคลเนี่ยมันมีบุคคลเนี่ยมันตั้งไว้หลายฐานนะาเนี่ยหนึ่งก็เก า, า, า, า, า, เาเรียกว่าถ้าภาษาพระเาเรียกว่าปิยมานาบุคคลบุคคลนั้นเป็นที่รักไม หรืออาจจะเป็นหนักไปนั้นก็คือคารุกก็ได้บุคคลที่เป็นที่เคารพบุคคลที่เรารักหรือบุคคลที่เราเคารพบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราเฉยเฉยและบุคคลที่เราเกลียดหรือเป็นคู่เวรกันเราหรือว่าชอบจะทําเรื่องไม่ดีกันแก่กันและกันทําให้โ ก, กรธกันเครียดกันหรือทะเลาะบอกแวงกันตลอดอะไรนี่คือคู่เวรมันแบ่งเป็นสี่จำพวกในสี่จำพวกเนี่ยเราจะมีกระบวนการความคิดในสี่บุคคลเ น, นี้ต่างกันออกไป คนที่เราเคารพเนี่ยเราก็จะรักจะให้ความยอมรับนับถือบบคนที่เรารักคือคนที่เราอยู่ใกล้ด้วยแล้วเรามีความสุขสบายใจทั้งหลายคนที่เราค่อนข้างเฉยๆคือเราไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับเราเห็นก็เฉยๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างคนทั่วๆไปตามถนนท้องทางตามที่ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามัชตาบุคคลบุคคเป็นบังกันกลางส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลกับเรามาก ให้สุขให้ทุกข์กับเรามากเนี่ยเพื่อๆมันกลายเป็นเวรีบุคคลเป็นบุคคลที่เป็นคู่เวรกันคู่เวรกั น, กนคือเครียดมากคนคนนี้ทําอะไรเราจะค่อยๆเดี๋ยวก็โดยมากระหว่างสุขกับทุกข์เนี่ยมันก้ามกลึงกันโดยเฉพาะเครียดมากกว่าทุกข์มากกว่าเครียดมากกว่าเนี่ยบุคคลเราเรียกเวรีบุคคลในบุคลลบคลเหล่าเนี้ยเราคิดถึงเขาที่ไรแล้วมันจะมองไปจุดด้อยเขาตลอด จุดไม่ดีก็เขาตลอดมันจะกลายเป็นค่อนข้างดีใจเราก็ค่อยๆเย็ถ้ามนุษย์ที่ฉลาดจริงๆเนี่ยเชื่อไหมเขาสามารถพัฒนาจิตของเขาเนี่ยมองคนสี่คนสี่ระดับเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนกันได้เก่งขนาดนั้นนะมีมนุษย์ฝึกได้ด้วยนะเขาฝึกได้จนกระทั่งว่าไอ้คนที่เราเคารพเราก็เขาเขามองอะไรก่อนอ๋อหนูนึกถึงตนเองก่อน ในสี่คนเนี่ยนะเอาวางไว้ก่อนเ อ, เอาตัตนเองหนูว่ารักตัวเองแค่ไหนเรารักตัวเองไหมปรารถนาดีกับตัวเองไหมปราถนาไหนเราประสบความสุขปราถนาไหนเรามีประสบความสมําเร็จในชีวิตเรารักทั้งหมดในที่เป็นตัวเป็นเนื้อเป็นตัวเราเป็นอัตภาพเราเป็นชีวิตของเราเนี่ยเรารักเรากลัวร่างกายเราจะอ่อนแอเราถ้ากินอาหารเราก็ร่างกายเราจะไม่มันจะร้อนเกินไปเราก็อาบน้นําหนาวเกินไปก็ใส่เสื้อผ้า เราต้องการให้ร่างกายเราแข็งแรงต้องการให้สุขภาพชีวิตเราดีต้องการได้รับการยอมรับนี่คือรักเรารักตัวเองแล้วก็นึกลองลองนึกถึงโอ้เนี่ยแล้วก็ปรารถนาด้วยทีโอ้ขอให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้เราสมสมปรารถนาขอให้เราเนี่ยคิดสิ่งใดหรือปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาในสิ่งนั้นขอให้ประสบความสาเร็จจะได้มีศัตรูหมู่ร้ายทั้งหลายมาเบียดเบียนเราเลยสมมติเลยนะขอให้เรามีความสุข ให้เรามีความสุขกายสุขใจเนะี่ยคิดถึงรักตัวเองแล้วก็นึกถึงแม่ดูนึกถึงเราเคารพใครที่เราเคารพลองดูที่ระหว่างตัวเองกันลองดูงดูเรารักตนเองอย่างไรเรารักผู้ที่เราเคารพเหมือนกันเท่ากันไหมสภาพจิตเราเนี่ยมันสูงมันต่ําต่างกันยังอุ้ยถ้ามันยังมันยังรู้สึกน้อยกว่าตัวเองก็พัฒนาพัฒนาขึ้นมาให้มันเท่ากันให้มันมีรู้สึกเท่ากันตัวโอเคแล้แเดี๋ยวนี้โอ้รักเรารักที่คนเรา คนที่เราเคารพกับตัวเราเองอเริ่มบาลานซ์กันแล้วสมดุลกันนะโอ้เท่ากันมีประสบความสำเรนะ็จแล้วในคนแรกเนะอะคนที่สองมารักตัวเองต่อดูตัวเองเป็นเสร็จก็ไปที่คนที่เรารักธรรมดาเอายกขึ้นมาหน่อยให้เท่าเ้าะกับเรายกเสมอให้ให้ให้เรากับกับคนที่รักเรากับรักคนที่เรารักนะให้เสมอโอ้ได้แล้วทำไปทำมาได้ฝึกจนได้เลยนะเนี่ยจนเป็นเสมอกันเลย น้าข้าวน้าข้าไปคนที่เราเฉยเฉยโอ้โ oh, หยกยา ก, กเืกินเราเฉยเฉยกันเนี่ยยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาให้เท่าเราพัฒนาพัฒนาให้รักเราคนนี้งเฮ้ยเขาก็มนุษย์เหมือนเราเนี่ยพัฒนาพัฒนาอุถ้าทําได้นี่ไม่ธรรมาดาแน่ได้สาบุคคลเลยเนี่ยไอ ค, คนที่สี่ทำยากหน่อยไอคนที่สี่คนที่เราเครียดเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยเรามองไปที่เขาเกิดมดรักเราเอ๊ะตัวเขามันไม่ต่างจากเราเนี่ยถ้าใครทําได้อย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยเนะ เขาเรียกว่าไม่มีเขตเลยทําลายพรมแดนทําลายเขตแดนทําลายเครื่องกั้นเลยวิ่งไปหาตนเองก็รักคนที่เราเคารพคนที่เรารักธรรมดาคนที่เราเฉยๆคนที่เราเกลียดเนี่ยทั้งห้าบุคคลถึงตัวเราเองด้วยโอ้โหรักเท่ากันเลยถ้าใครพัฒนาจิตได้ขนาดนั้นเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จอันนี้พูดด้วยข้อมูลก็ไว้แต่เรายังทําไม่ได้แต่มันทําได้มีมนุษย์ทำได้ ถ้าใครทำตรงนี้ได้ก็เรียกว่าทำลายเขตแดนระหว่างเขากับเราเขตแดนที่เป็นเครื่องกั้นระหว่างรักเรากับรักคนอื่นเขตแดนนึงที่ถูกทำลายตุบตุบทุบตุ บ, ต บ, ตบทำลายเลยไม่มีเขตแดนรักเรากับรักเขาไม่ต่างถ้าใครทำได้ขนาดนี้จะเป็นคนไม่เครียดทุกสถานการณ์ทุกบุคคลยากไหม เนี่<ส><ข>ยถ้าทาได้เนี่ยเห็นไมมันมันกระบวนการมันสามารถฝึกได้จริงนตรงเนี้ยถ้าเราอย่างนี้ก็คือวิธีการที่เราจะมองคนทั้งหลาย <S <S 2> <S 2> ให้จิตเราเนี่ยค่อนข้างเป็นได้ดุญยภาพจริงๆ <S <S ได้สมดุลได้สมมาตาได้ความเป็นกลางจริงๆ คนประเภทนี้ไม่มีอคติพอไม่มีอคติแล้วมันจะมองโลกตามความเป็นจริงมองกระแสชีวิตตามความเป็นจริงได้ไม่ยากเลยแต่นี้ไอ้ตรงนี้แหละมนุษย์เรามันทำตัวนี้ไม่ได้มันก็เลยลำเอียงมันก็เลยเอียงมากเอียงน้อยต่างกันเหมือนที่เราเห็นนะโอ้โหสภาพจิตมันสวิงเร็วมากคนที่ไม่ได ปรับดุลในจิตของตนเองแบบนี้จะโซอิงมากรักก็รักทุ่มถึงที่ถ้าเกลียดก็โอ้โหเต็มที่เลยเงี้ยเนี่ยโดยมากมันจะเป็นแบบนั้นทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่เราไปทำอะไรเลยนะมันเรื่องจิตของเราโดยเฉพาะเรื่องการให้ปัญญาเป็นตัวนำร่องโดยเฉพาะคนที่ในบรรดาสี่คนเนี่ยสี่บุคคลข้างนอกเนี่ยคนที่เราเป็นเวรีบุคคลนี้รักษายากบางทีพอ คิดถึงเขาปุ๊บเนี่ยมันเครียดขึ้นมาต้องย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนเลยเนะ่ย่าไปแช่กันไม่ได้นานนะเช่นขอให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้เขาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจขอให้เขาอย่าได้มีจิตพยาบาทอาฆาตขอให้เขาจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเขาปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเงี่ยมันไม่ไปมันไปแต่ความคิดแต่ใจมันไม่ไปใจมันรุ่มร้อนต้องกลับมาดูตัวเองลองดูที่ ขอให้เราอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจขัดเครืองไหมไม่ขัดเครื่องเลยเวลาคิดถึงตัวเองไงขอให้เราสมปราถนาเอ้ยไม่ขัดเครื่องเลยขอให้เราจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้เราอย่าขอให้เราสมหวังขอให้เราสมปราถนาเราคิดสิ่งใดที่สิ่งใดที่เราปราถนาขอให้สมปราถนาเราจะทําสิ่งใดขออย่าได้มีใครมาขัดขวาง เราไปทํากิจกรรมใดๆขอให้สำเร็จโดยทันสําเร็จโดยสะดวกเนี่ยพอคิดให้กับตัวเองค่อนข้างโอ้โหมันโปร่งหมดเลยเนะี่ยพอไปคิดให้กับคนอื่นมันไปนิดๆบางที่ไปแต่ความคิดแต่ตัวความชื่นใจมันไม่ไปด้วยไอความรักมันไม่ไปด้วยเห็นไหมบางทีเราคิดถึงคนอื่นเราคิดพับไปได้หมดเลยคิดไปถึงวันคนนี่ยแต่ใจดีใจเมตตาใจปรารถนาดีมันไม่ไปด้วยกับความคิดใช่ไหนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ งั้นตรงนี้ก็เหมือนการเหยียบแตกใจว่าคนที่ไม่เคยฝึกเรื่องเหล่านี้เลยก็เป็นเรื่องปกตินี่ก็ย้อนกลับมาในเรื่องที่หนูเป็นอยู่ว่าอ๋อเรากับเขามันเคยเกี่ยวพันกันเดีไหมพอไปนั่นกันขึ้นมาก็มีพอมีและสังเกตดูไหมว่าทั้งคู่รักกันไม่เป็น mm. เขาก็รักเราไม่เป็นเราก็รักเขาไม่เป็นรัก แต่ต้องการที่อยากให้คนที่เรารักนะี่ยเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเราต้องการคอนโทรลต้องการกากับอยากอย่างที่ใจเราต้องการไหมรักลักษณะนี้มันรักแบบตันหารักแบบอุปาทานรักแบบยึดมั่นถือมั่นว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเขาล็อกสเปคมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็จะล็อกสเปกกลับไปหนึ่งสองสามสี่แพ้ทั้งคู่ไม่สมปรากันะไม่เคยได้สมหวังเลยรักประเภทนี้ ผิดหวังไอ้จริงๆก็อยู่กันยังตรอมตรมมันมีใครไปทําตามความรู้สึกของไทยได้จริงๆอย่างแท้จริงอะไรหรอกดูเหมือนผิวเผินเหมือนจะทําได้ชั่วพักชั่วคู่เหมือนจะได้ยามอยู่กันใหม่ๆเหมือนจะได้ผ่านไปไม่เกินเดือนรักก็ร้าวแล้วก็ล้างแล้วก็แตกแยกกันก็มีแค่นั้นเองเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจคำนิยามว่ารักที่แท้จริงเลยอะไรคือรักแบบตันหา อะไรคือรักแบบเมตตาแยกกันไม่ออกเลยก็เอารักแบบตั้หารักคือต้องการให้เขามาตอบสนองอัตตาเราตัวตนเราตอบสนองความต้องการของเราและมาบำรุงบำเลอเราเอาเอาอัตตาตัวตนเป็นศูนย์กลางเอาสุขเวทนาเป็นจุดหมายเราต้องการสุขตัวนั้นทั้งท่าไอสุขตัวนี้แวบหายแวบหายตลอดมันคือความรู้สึกทางใจมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยความสุขตัวนี้ แต่ตัณหาเนี่ยความต้องการตัวเนี้ยมันก็ปรารถนาตัวเนี้ยปรารถนาไอ้สุขเวทนานี่แหละแล้วก็ต้องการให้ให้เขามาตอบสนองอัตตาบวมรุมอัตตาตัวตนของเราเนี่ยความต้องการของเรานี่คือเรานี่คือเป็นเรานะเพชรเป็นแบบนี้นะเขาก็บอกฉันก็เป็นแบบนี้นะอ่ะก็มาจูนกันวิธีการก็รู้สึกมันเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ไปจูนกันจูนกันเอ้าต่างฝ่ายต่างก็ถอยคนละก้าวเลยก็ว่ากันอยู่นั่นแหละแต่ แต่ไม่ยอมทั้งหมดไม่ยอมทั้งหมดโอเคตรงนี้มันมันมันปรับกันไม่ได้มันจนก็นไม่ก็ค่อยค่อยปรับปรับโอเคนะพอสมควรจะเหตุหรือยังที่เขาเรียกว่าคอมพลีเมน์เนี่ยก็คือว่าต่างฝ่ายต่างก็ยังเหมือนหนูบอกว่ามันมากเกินไปแล้วระเบิดเลยเงี่ยนะท่านผู้มหนูหนูก็หนูห น, นูมีตัวตนอยู่แค่นี้เขาก็มีตัวตนเขาอยู่อย่างนั้นฝ่ายเขาฝ่ายเขาก็าแน่จะเขาจะอดทนได้มากกว่าหนูหน่อย เพราะว่าไอ้ความที่เขาเป็นผู้ชายนี่ยแห ล, ละอย่างหนึ่งเขาก็เขาก็ไม่มีอะไรเสียเขามองอย่างนั้นผู้ชายเนี mm ่ย hmm. ใช่ไหมผู้ชาย ม, มันจะคิดประมาณอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรจะเสียผู้หญิงต่างหากเ mm hmm. มื่อมาคบกับเขาแล้วคุณคุณนับวันจะแก่ลงแก่ลงผู้ชายเขาไม่เขา mm hmm. โอเคอ่ะเขารอไอ้เข า, เขาถ้าหนูผ่านไปเขาคนใหม่ก็ได้อะไรต่างใช่ไหมแค่นั้นหนูต่างหากที่ต้องดิ้นรนมากกว่าเขาเพราะความต้องการของหนู อยากจะคล้ายๆว่าอยากจะปิดเกมให้เร็วที่สุดเจอมั <laughs> ้ยหนูอยากจะปิดเกมให้เร็วที่สุด <laughs> แต่ฝ่ายผู้ชายเขาไมา่ <laughs> เขาไม่มีปัญหาเลยร <laughs> <laughs> เขาไม่ได้คิดอย่างนี <laughs> ้เขาใจเย็น <laughs> หนูก็หนูคํานึงหลายเรื่องอะ่ะ <laughs> หนูอยากจะปิดเกมให้เร็วที่สุดแต่เขาโอเคเ ข, เขาก็ค่อยหยอดมาหยอดมา <laughs> ทั้งหมดเหล่านี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็พยายามเอาอัดตาตัวตนตนเองเป็นตัวตั้งเอาเป็นศูนย์กลาง แล้วได้มากที่สุดนั่นคือถือว่าได้กําไรมันก็หวังมันอย่างเงี้ยโอเคแล้วมาหักลบกบเ น, นื่อทงหลาแต่ถ้านะถ้ายิ่งผู้หญิงเนี่ยอายุยิ่งมากขึ้นข้อต่อรองก็ยิ่งเหลือน้อยลงเหลือน้อยลงเนี่ยเขาเนเขาเอาและอะไรก็เอาทั้งนั้นพอมันไม่ไหวเลยมันถึงขนาดนี้แล้วชักสามสิบไปสี่สิบขึ้นมาฉันไม่ได้เรื่องอะไรเอาทั้งนั้นขอให้ได้ก็แล้วกันแต่เขาจะเป็นแค่นั้นเอง อี <Blake. S 1> ที่ยังใหม่ๆอยู่เนี่ยโอ้โหเราสามารถล็อกสเปคอย่งมากมายี่สิอะไรก็ตั้งได้แต่เขาค่อยๆลดเฮ้ยอดีตเขาลดลดแต่เขาแตขอให้เป็นผู้ชายใช้ได้บอกอีกทีจะแย่แน่งานนี้นะเคยเป็นขนาดนั้นไหมครับก็ไม่แต่จริงๆหนูก็เป็นสังเกตัวที่หนูมาลิศเนี่ย นี่ถ้าข้อหกข้อเลไรของหนูเออมันก็เข้าได้เข้าได้เข้าได้ไหมเนี่ยหนูอที่จริงหนูลดสเปคตัวหนูลงนิดนึงนี่แหละก็ความอยากจะได้นั่นแหละก็เลยลดสเปคันไปเดี๋ยวไปแก้ไขเฉพาะหน้าไปเจอเหตุการณ์เดี๋ยวไปว่ากันใหม่อาศัยพลิกแพงใหม่หนูก็คิดอย่างนั้นไงฝ่ายนั่นก็โอ้โหได้หรือยังว่างงส่งให้พ่อดูพ่อใจตัดสินพ่อน้ําตาแตกเลย มาฟังเรื่องข่าวได้รื่องนี่นค่ะคะไม่ได้พูดกับว่าอาจารย์โองเศร้ามากคือจริงๆก็คือนัน่นแหละนั่นแหละคือตัญหามันวิจิตอย่างนี้เลยเพราะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าจริงนะค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าเขาใช้ปัญญาเขาเขา มันให้ให้ตัญหาเป็นตัวนําแล้วให้ปัญญาเป็นตัวแก้นะคะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าสรุปตอนนี้เขาก็เลยมัเทียงนึกไม่ออกว่าอะไรปัญหาเลยก็ชอบปันญาเอาปัญญาแก้แต่ก็ตลอดตอนนี้ก็คือเอาปัญญามารับใช้ตัญหาใช่แล้ว่ะยังทำแบบนั้นอยู่เพราะอาจจะแย่งแย้ไม่ทำเพราะอะไรคือปัญหาคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ใช้ปัญญาเป็นทาสกับมารับใช้ตัญหา เพราะเขาแยกไม่ออกลักษณะของปัญญาเป็นยังไงปัญญาทํากิจยังไงอาการปรากฏเกิดขึ้นผลของปัญญาเป็นยังไงเหตุกลร์ของปัญญายังไงเขาไม่รู้ตัณหาเป็นอย่างไรลักษณะหน้าตามันเป็นอย่างไรตัณหาเกิดขึ้นมามันกิ น, นมันกินอารมณ์มันกินมันทำกิจยังไงผลผลปรากฏของตัณหาเกิดขึ้นเป็นไงอะไรเป็นเหตุการณ์ตัณหานี่ก็ไม่ได้แยกละเอียดหรอกเพราะเป็นนามธรรมามันเกิดกระจายเราแล้วก็ถูกตัณหาชักจูงบ้างปัญญาชักจูงบ้างนีทีนี้เราไปคิดไปฟังอะไรได้มันได้ปัญญาใช่ไหม มันหนูมันหนูไปคิดไอ้ดีไซน์ไอ้เสื้อผ้าได้อะไรได้มันเป็นปัญญาเนี่ยแต่พอดีไซน์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้นหามันต้องการแบบเนี้ยก็เอาปัญญามารับใช้ไปเออมันจะเด่นมันจะดังมันจะมีชื่อเสียงมันจะได้เงินได้ทองได้อะไรต่างๆแบบนี้ได้เนออมันต้องทําอย่างนี้ปัญญาก็ไปคิดที่คิดคิดคิดแบบเสร็จเพื่อตอบสนองอะไรโฆษนา อัตนาโดยตั้งไว้นี้ยังเป็นอย่างนี้มนุษย์เราก็จะเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ก็ที่ไม่ได้พัฒนาก็จะเป็นรักษณะคนในโลกใบนี้ส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าจุดเก้าจะเอาปัญญาแล้จะตมันก็อยู่กันอย่างนี้แหละมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนี่ก็เหมือนการกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยตัณหาใช่ไโดยส่วนใหญ่รักรักรักแบบตัณหา รักแบบตั้นหาทีนี้ตั้หามันสำคัญว่ามีอัตราตัวตนนั้นจะต้องเอาอัตราตัวตนเป็นศูนย์กลางทำอะไรทุกอย่างต้องมาตอบสนองอากราตัวตนคือเราต้องได้เราต้องไ ด, ได้ได้เห็นที่ดีๆได้เสียงที่ดีๆได้กลิน่นดีๆได้ร่ดีๆได้สัมผัสดีๆได้สภาพความคิดนึกทางใจที่ดีๆคุณต้องมาตอบสนองฉันแบบนี้นะถ้าคุณทำทาหน้าที่ไม่ดีใส่ฉันฉันไม่เอา ถ้าคุณทําเสียงไม่ดีให้ฉันฉันไม่เอาถ้ากลิ่นไม่ดีให้ฉันฉันก็ไม่เอารสชาติไม่ดีฉันไม่เอาสัมผัสที่ไม่ดีฉันไม่เอาถ้าก็สัมผัสแล้วมันแข็งเป็นเหล็กไม่เอาเลยไม่เอาเลยจืดเหมือนสัมผัสปอกเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมอย่างก็สัมผัสเหล็กอย่างก็สัมผัสไม้โอ้โหไม่เอาเลยโออะไรคนอะไรสัมผัสหยาบขนาดนี้ไม่เอาเนี่ยหรือว่ามันไม่ให้จินตนาการที่ดีทั้งนั้นไม่ความรู้สึกที่ดีทั้งนั้นจิตใจหรือย่างไมเช่นเอ็น เจอหน้ามันมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยแบบนั้นยกตัวอย่างเชนเรามีพฤติกรรมคือทําลายจิตใจเราตลอดพฤติกรรมที่มันทำํำอะไรที่เราไม่ชอบมันก็จะทําอย่างนั้นตลอดยาวไหมล่ะหนูลักมากเอาไหมเห็นไหมหนั้นที่จริงทั้งหมดเราเนี้ยหนูต้องการโดยเนี้ยต้องการเนี่ยมันตอบสนองความต้องการอัตราตัวตัวของเราต้องการตัวนี้นี่เปนยนจุดมายแล้วก็ต้องการสุขเวทนะาสุขเวทนาเพราะ คือเมื่อได้เห็นเขาพบมันเกิดสุขเวทนาเอาเนะี่ยแต่เห็นพบได้ทุกเห็นที่ไรก็ทุกใจฟังเสียงที่ไรก็ทุกใจได้กลิ่นที่ไรก็ทุกใจได้สัมผัสที่ไรก็ทุกใจหรือว่าคิดถึงเขาที่ไรก็ทุกใจอยู่ไว้ mm hmm. เห็นไหมเนะี่ยตัณหามันต้องการเลยต้องการสุขสุขเวทนา mm hmm. นี้สุขเวทนานั้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาไหม mm hmm. มันก็เลยต้อง พยายามจะทํายังไงที่จะให้มันได้สุขเวทนาซึ่งมันเหนื่อยมากนะ <S <S มันเหนื่อยมากเลยนะวันนี้หนูไปทํางานหนูเครียดกลับมาเฮ้ยต้องมองหนะ้าจะทํายังไงใมันได้สุขเวทนาใช่ไหมเฮ้ยต้องพูดยังไงให้มันได้สุขมันยากมากเลยนะใช่ไหมเขาก็เหมือนกันเขก็ต้องการสุขเวทนาจากหนูหโอ้โ ห, หต่างฝ่ายต่างต้องการเ ง, งี้ยต้องการให้จุดมุ่งหมายตั้งแต่ละฝ่ายก็คือต้องการสุขเวทนานะโอ้โหมันไม่ง่ายเลย นั้นถึงบอกว่าต้องนี่คือรักแบบตันหาถ้ารักแบบเมตตามันรักแบบไหนรักในสิรักรักในสิ่งที่เขาเป็นเขาเราเป็นเราคื อ, ค, อคือรักกับการต้องการอยากจะทำอย่างไรหนอจะให้เรามีความสุขเราคิดตลอดเวลานะอะไรพี่เป็นความสุข อะไรมันเป็นความปรารถนาะเป็นความต้องการของเราเขาจะทำเพราะรักไงเขาจะทำให้ทุกอย่างไม่ใช่ตั้งแง่ตูมเลยนะว่าคุณต้องอย่างนี้ไม่ใช่เลยถ้ารักแบบเมตตาจะไม่เป็นรักแบบเมตตาจะไม่ดูเลยหนูจะเป็นยังไงหนูจะชอบอะไรหนูจะมีบุคลิกภาพอย่างไรสภาพจิตใจยังไงทัศนะความเห็นงไงฉันรักคุณนะฉันพร้อมที่จะให้ให้ความต้องการ แล้วก็ทำให้ด้วยความเต็มใจเพราะรักนกี <Okay. S 2> ่ยรักคือการทำให้ถึงหนูจะบ่นจะว่ายังไงก็รักเน่ะไม่ไม่เครียดไม่โกรธก็พยายามที mm ่จะทำให้หนูอ่ะสบายใจให้ได้อะไรที่เป็นความสบายใจของหนูเ็าทำให้เต็มที่เลยเช่นรู้ว่าหนูเป็นคนชอบความสะอาดเขาก็จะทามความสะอาดรู้ว่าหนูจะเป็นคนชอบเสียงเบาๆเขาจะพูดเสียงเบาๆรู้ว่าหนูชอบกินอาหารนี้เขาจะพยายามทาอาหารนี้ให้ เนี่ยถ้ารักแบบเมตามจะเป็นแบบนี้แล้วรู้ว่าหนูเชื่อแบบเนี้ยเขาจะไม่ทําลายกระทบกระเทือนใจิตใจหนูเลยพราะเคารพในการที่ที่ที่หนูรักหนูหนูเชื่อแบบนี้เห็นแบบนี้ถ้ามีผู้ชายอย่างเนี้ยก็ต้องไปเอาเพชรแทนทองแล้วเอาแยกกันตอนนี้เฮานึคิดว่าตอนนี้ก็อาจจะมีทองอยู่นะคะทำไว่า อ, อาจจะมีเพชรในอนาคตเห็นไหมว่านี่ความรักที่นีบ ไอ้ลักษณะเหมือนกันถ้าหนูรักเขาหนูก็มองสิ่งก็ไม่ไปทําลายอะไรเขาเขาเป็นของเขาอย่างนี้แล้วก็รักมันก็ในยาตเดียวกันแต่แต่รักทีนี้ประเด็นมันก็ว่าเอ๊ะบางคนมันก็คิดนะว่าเฮ้ยถ้าเราจะรักเขาอย่างเมตตาแต่เขารักแบบตัณหาเนี่ยล้วก็เสียเปรียกเขาสิจะไหมบาง้ยจริงๆมันคนละประเด็นกันนะตรงนี้ความคนที่รัก รักเป็นเขาจะรักแบบเมตตาไม่ยึดรักแบบเมตตาไม่ยึดขนาดไหนรู้ไหมไม่ยึดถึงขนาดว่าแม้เขาปรารถนาจะไป ม, มีใหม่เต็มใจขนาดนั้นเกิดไปไหมอย่งเดยค่ะไม่เคยเป็ขนาดนั้นมีเมื่อวัน ที่มันขึ้นมาแต่ตอนนี้หายไปแล้วที่บอกว่าอาจารย์เมื่อวานว่ามันก็มีบ้างว่ารู้สึกดีถ้าสมมุติว่าเขาไปไปไม่ได้คิดถึงว่าเขามีใหม่แต่ถ้าคิดว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็คิดว่าไม่ต้องอยู่แล้วก็มีความสุขได้แล้วก็มีความสุขขึ้นนะคะแต่ยังไม่ได้คิดไปตัวหนงว่าเขามีใหม่ท่า น, นั้นยังไม่ถึงค <ười> ือโดยก็เท็จจริงนแต่ว่า<ม>จะฝึกให้ได้เ<ม>หรอเน้นโดยก็เท็จริงเนี่ยเขาโดยโดยส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมันมันเจอกันเดี๋ดดวยวก็จะ ต้องเข้าใจความจริงตรงนั้นฉะนั้นอย่าให้ตัณหาเป็นตัวนําถ้าจะรักใครสักคนให้รักด้วยเมตตาถ้ารักด้วยตัณหาเราก็จะทุกข์ตลอดตลอดไปเพราะตัณหามันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตัณหาไม่เคยให้ความสมหวังแก่มันุ้วยไม่ให้ด้วความผิดหวังมีแต่เรื่องเครียดเรื่องกุ้มเรื่องทุกข์มันก็จะมีว่าหนึ่งปราตนาเอามาตอบสนองอัตตาตัวตนสองปราตนาให้เขาเป็นแบบนี้ตลอดไป ถ้าเขาไม่เป็นอย่างนี้เราก็ปราดอยากจะทากอยากจะให้เขาพ้นๆไปมันก็แค่นั้นอย่าง<ม>ตัญหามีแค่นี้นอยากได้เห็นมอยากได้เอามาตอบสนองอตัตราบารุงอัตราตัวตนของเราสองอยากให้มันมันอยากให้สิ่งที่ดีๆมันมั่นคงมันท้าววอนมันขัดความจริงหมดไหมเนี่ยสองเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็อยากให้พ้นๆไป ตัณหาไม่เคยไม่เคยมองตามความเป็นจริงตัณหาอยู่ได้ได้ความเห็นไม่ไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงและตัณหาเนี่ยจะเข้าใจความจริงเป็นเป็นช่วงๆเท่านั้นเองไม่เข้าใจความจริงตลอดสายแต่ถ้าปัญญาเนี่ยมันจะไปเจาะทะลุทะลวงเห็นความจริงได้ตลอดสายด้วยนี่จะเป็นไปรักษา <c oughs> แต่มนุษย์เนี่ยถามว่าทำยังไง ที่เราจะพัฒนาไอตัวปัญญาตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันยากตัวนี้นะคืออะไรล่ะมันต้องมันต้องฟังเท่านั้นนะแล้วก็ไปวิเคราะห์ไปวิจัยไปแยกแยะเหมือนว่าหนูตั้งตุ๊ ก, กตาขึ้นมาว่าคนคนเนี้เขามีจุดจุดเด่นอะไรบ้างหนูมองไม่เห็นทั้งหมดเลยนะอะไรคือจุดดีครับครับอะไรคือจุดเสีย เนี่ยมองทั้งหมดเลยถ้าอย่างนี้มันจะเห็นทั้งสองส่วนและเราควรปฏิบัติกับเขาควรเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรเ น, นี่ยเนี่ยเห็นไหมมันได้สามทางเลยเนะี่ยหนึ่งจุดดีของเขา อ, อ, อ, อะไรเป็นอะไรเป็นสุขสมะนะนัที่เราเกี่ยวข้องกขาแล้วเราได้ความสุขใจสบายใจนะปลื้มใจสุขใจอะไรเป็นอาทีนะว่าเป็นโทษ เป็นความเครียดเป็นความกัดกรุ้มเป็นความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยไปเกี่ยวข้องแล้วมันรู้สึกมันไม่สบายใจมันอะไรและทางออกทางออกที่เราควรจะนะคิดถึงเขาแล้วไม่ไปตกหลุไม่สองทางนี้เห็น mm. ไ, ไห ม, มก็ทางรอดก็ได้ทางออกก็ได้ภาษาพะก็ไดมันมีทางไอ้กรณีที่เราไปคิดถึงเขาแล้วเราคิดด้วยปัญญา ดำลี่ถึงเขาก็ดำลี่ดำลี่ออกไม่ดำลี่ไปในความกําหนัดยินดีเพื่อเพลินไม่ดำลี่ไปในเรื่องของพยาบาทโกรธเขาไม่ดำลี่ในการคิดประทุษร้ายเขาเห็นไหมแต่ดำลี่แบบไหนดำลี่ในกรณีที่ว่าดำลี่ในการที่จะให้ให้เขามีความสุขดำลี่ในความคิดดีๆกับเขาดำลี่ในการ ปราถนาให้เขานั้นมีความสุขมีอายุยืนไอ้กว่าการที่เร า, เ<อ>าดำหลีดำริถึงเขาอย่างเนี้ยมีปัญญาเป็นตัวนำว่าอ๋อเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกใบนี้เราก็ควรปราถนาดีกับเขาเราเห็นว่าจุดด้อยก็เป็นอย่างนี้จุดเด่นก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไปมองแต่จุดด้อยกับเขาเราก็จะเครียดเห็นแต่จุดดีของเขาโดยไม่หลืดหูลืมตาล้วก็หลง แล้วเรื่องอะไรเราจะต้องเอาชีวิตจิตใจของเราไปมัวเมารุ่มหลงกับลักษณะ น, นี้แล้วก็ปฏิบัติต่อเขาให้ถูกคิดถึงเขาได้แต่ในขณะเดียวกันคิดว่าเขาก็คือผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่ยังดำเนินชีวิตผิดบ้างถูกบ้างและเขายังไม่มีปัญญาคิดอ่านได้ซ้ำไปที่จะเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงได้ซ้าไป<ม>เขาก็ยังมีความเชื่อมีทัศนคติมีมุมมองแบบนี้ เชื่อว่ามีเทพเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้ดมดานเชื่อก๊อสของเขาเนี่ยนะแล้วก็จมอยู่กับกอสของเขากลัวกอสจะทําลายกลัวกอสจะลงโทษเขาอ๋อนี่คือจุดด้อยเขาจุดเด่นเขาก็คือคนดีมีเรียนทางไอ้ทางรู้ทางโลกฉลาดในการทำมาหากินไอ้นีน่จุดกัจุดดีของเขาเอาละเราจะเกี่ยวข้องเขาอย่างไงเนี่ยแล้วก็เกี่ยวข้องเขารู้จริงไงอ๋อจุดนี้เขายังมีปัญหาอยู่เขายังไม่ได้รับการแก้ไข จุดนี้เขาดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ดีถึงที่สุดยังไงอย่างเงี้ยก็ว่าไปเราควรเกี่ยวข้องเขาควรพูดกับเขาอย่างไรควรมีพฤติกรรมกับเขาอย่างไรควรจะคิดกับเขาอย่างไรไปใช้ปัญญาในการคิดไปวิจัยอย่างเงี้ยถ้าเราคิดอย่างนี้ก็แปลว่าเราหาทางออกได้ทางด้านกระบวนการความคิดที่เราคิดถึงเขาพอมองเห็นไหมพอคิดไปปุ๊บเนี่ยเราจะคิดด้วยเมตตาเขาก็ เ, าเห็นไวลอกรุณาเขาก็ได้ยามเขาปกติก็เมตตายามเขาแย่ลงกับกรุณา ยามเขาประสบความสำเร็จกระพอยยินดีและการที่เราควรวางใจเป็นกลางกับเขาเขาทำกรรมอะไรเขาก็ต้องรับผลการกระทำเมื่อเขาเชื่ออย่างนี้เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีความจริงคือไม่มีเขาก็ต้องรับผลของการการเชื่อแบบนั้นถ้าเขาเชื่อพระเจ้ามีที่จริงไม่มีแต่ถ้าเขาทำดีเขาไปสุกติแต่ถ้าเขาเชื่อพระเจ้ามีแต่ถ้าเขาชั่วเขาไปทุกขติไม่่อยู่กับเชื่อ ไม่ใช่เขาเชื่อว่ามีเขาไปทำชั่วเพื่อเพื่อบูชาพระเจ้าไอ้ ก, กรรมชั่วมันให้ผลเขาเขาไม่มีโอกาสจะไปอยู่กับเทวดาได้ก็นู่นลองอาบาานใบย่ภูมินี่คือความจริงใช่ไหมแล้วเขาเข้าใจในสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมวันนี้เขาเชื่ออย่างนี้เขาเห็นอย่างนี้เขาก็ทํากรรมอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้มีการกระทรํานี้มีทัศนคติมุมมองนี้เขาก็ต้องรับผลผลก็คือตอนนี้ไงสภาพจิตใจเขาไงแค่จะคิดออกจากพระเจ้าก็กลัวแล้ว หนูเนี่ยคิดจะออกจะออกจากพุทธเจ้าหนูไม่ได้กลัวอะไรเลยเนะยแต่ว่าไมออกใช่ไหมไม่ใช่เข้าใจแต่กลาว่ากลายเป็นไ ว, นว้อยากรูทุกเรื่องเนะี่ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็เป็นมานั่งฟังเรื่องของแม่ทุกวันแล้วก็มาคนะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็แค่ก็คื อ, ค อ, คอรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองที่ไม่อยากฟังนะคือก็อยากฟังอะไรเนื่องเพราะมันก็สามารถที่จะเอามาอัดดบกับตัวของตัวเองได้ทุกอย่างก็มีอีกหลายเรื่องที่เราต้อรู้ในชีเข้าใจ นั้นแต่มองอย่างนี้ก็จะได้เห็นความจริงโอ้เนี่ยเห็นไม้มว่าในข้าวในข้าหนูไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนหนูก็เริ่มมองสองส่วนสามส่วนจุดด้อยของเพื่อนจุดเด่นของเพื่อนแล้วเราควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเนาะก็ดําเนินไปตามมัชชิมาคําว่ามัชชิมาในที่นี้แปลว่ากลางเนี่ยคําว่ากลางนี่หมายถึงสมมาตาคือการสมดุลสมดุลคืออะไรสมดุลก็ยกตัวอย่างเช่น ยามที่เขาปกติเมตตาเขารัากปรารถนาดีเอือ้อทอนช่วยเหลือเลอยามเขาแย่ลงาก็กรุณาสงสารคิดจะช่วยเขาพ้นทุกข์หรือพูดให้เขาให้ใคลายทุกข์กวาดไปทําทให้เขาคลายทุกข์ไหมนี่เขาเรียกว่าผิดปกติฝักขาลงยามเขาประสบความสําเร็จในชีวิตยินดีกับเขานี้ยามที่เขาจะต้องขวนขวายฝึก ผ, ผลพัฒนาตัวเองก็าวางใจเป็นกลาง ไม่ไปก้าวไายปล่อยเขาได้มีโอกาสฝึกตนเองหรือถ้าเขาจะประสบปัญหาในชีวิตใดๆเราไม่สามารถไปนคนขวาวช่วยเขาได้ก็เขาก็เป็นไปตามเขาก็ต้องรับผลของการกระทําทั้งดีและไม่ดีเออเนี่ยถือธรรมะเป็นใหญ่ลักษณะนี้ก็กลางนี่กลางคือมัชชิมาเนี่ยเขาเรียกว่ามัชชิมาเขาเรียกได้ดุลยภาพวางจิตเป็นต่อบุคคลนั้นๆในสถานการณ์นั้นๆ ฉลาดในการที่จะวางท่าทีทางใจกับคนทุกคนไม่ใช่ใช้มาตรฐานเดียวเช่นก็เ<อ>มตตาแต่เพฤตอเพือเนี้ยเสียเลยกรุณาแต่เพื่อเพือก็เสียอยีกพอยินดีแต่เพฤ่อเพือก็เสียอยีกวางเฉยไม่สนใจเลยก็จะเป็นไงก็เฉดเสียอยีกแท้จริงคําว่ากลางเนี่ยคำว่าสมตาหรือดุลยภาพนี่แปลว่าปรับได้ดีเหมือนขับรถวาล์านไหนควรเบรค วาระไหนคนเร็ววาระไหนคนช้าวาระนนไหนคนเลี้ยววาระไหนที่รถมันไปได้ดีแล้วเขาแค่ประคองไม่ต้องเร่งไม่ต้องแตะคันลุ่มคันเร่งอะไรแค่ประคองมันก็ไปได้ดีขึ้นมนแล้วไม่ต้องไปอะไรเลยเห็นไหมขํารถเนี่ยยามเป็นหลุมเป็นบ่ อ, อต้องประคองอยังไงยามที่โค้งต้องเป็นยังไงยามที่จะมีรถมาเฉียวมาแรงหลายต้องนั่นยังไง ยามที่เห็นอยามที่เห็นคนอื่นเขาขับไปโอเคของเขาถูกขับได้ดีอะไรดีแล้วเออยินดีกับเขาประเคราะแล้วก็ขับของเราอยู่เส้นทางเราให้ดียังไงยามที่เจอถนนที่มันราบเรียบสม่ําเสมอไม่ต้องเร่งไม่ต้องผ่อนแล้วก็ได้หรือเป็นไปได้วยความสมดุลยังไงเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชีวิตเป็นแบบ น, นี้การเกี่ยวข้องกับชีวิตก็ต้องต้องเหมือนการขับรถใช้มาตรฐานเดียวไม่ได้ ต้องปรับอยู่ตลอดเวลาไหมชีวิตต้องปรับอยู่ตลอดเวลาอะไรกระบวนการความคิดกอะไรนี้คนที่สามารถปรับกระแสะความคิดที่มองถึงคนอื่นไม่ใช่มองที่มาตรฐานเดียวมองตามความเป็นจริงอยู่ทุกสถานการณ์อย่างนั้นก็เรียกว่าสายกลางนั่นก็เรียกว่าดุลยภาพนั่นก็เรียกสมตาคือปรับตลอดเวลาไม่ใช่ว่ากับคนคนเนี้ยเราต้องคิดกับเขาอย่างนี้เท่านั้นนี่ อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงก็อย่างมุตนว่าวันนี้หนูมาหนูไม่ได้ทุกข์วันก่อนมาเนี่ย<ม> ฉ, ฉันต้องตั้งกรุณาในใจแล้วก็พูดด้วยกรุณาเพื่อจะดึงลูกศรคือความทุกข์ออกจากใจหนูให้ได้ฉันก็ต้องทำตรงนั้นยามตรงนี้หนูปกติมาฉันก็พูดด้วยความรักความเมตตาปราถนาดีถ้าเห็นหนูพัฒนาขึ้นมาฉันก็พูดด้วยพอยินดีหรือบางอย่างเห็นไหม ฉันไม่ได้บอกทั้งหมดแต่หนูจะต้องไปฝึกตัวเองเหมือนครั้งก่อนฉันบอกบอกบอกข้อมูลหนูไป<ม>หนูไปเลยเดีนะ๋นี้ฉันรู้ว่าหนูจะต้องไปบาดเจ็บมาใช่ไหมรู้แล้วว่าหนูจะต้องไปบาดเจ็บมาเพราะข้อมูลหนูไม่ไ ม, ไม่ไม่มากหนูจะต้องเจอแต่หนูจต้องเรียนรู้นั่นคือกระบวนการศึกษาถ้าไปบอกไปทั้งหมดเนี่ยหนูก็จะได้ไม่ไม่รู้จักเขา ใช่ไหมหนูก็จะไปคอนโทรเขาหมดป๊บปั๊บปัป๊บแล้วน่ะเขาตัวตนเขาก็จะไม่แสดงออกมาเพราะหนูไปคอนโทรเขาใช่ไหมแต่ถ้าหากเอาละหนูไ ด, ได้ได้ระดับหนึ่งแต่หนูจะไปเห็นความจริงแล้วพ่อเขาเป็นยังไงตัวเขาเป็นยังไงพี่เขาเป็นยังไงแม่เขาเป็นยังไงนี่หนูได้เห็นได้เรียนรู้แล้วก็ตอนนั้นอาจจะมองออกบ้างไม่ออกบ้างกลับมาหนูก็เอาเอาข้อมูลนั้นมาวิจัยต่อใช้ปัญญาไปวิจัยอะไรีคยหนูก็จะได้เห็นความจริงนั่นแหละคือชีวิต และแต่ในขณะเดียวกันแม้วันนี้มองมองแค่เนี้ยแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดหนูจะใช้มาตรการเดียวมาตรฐานเดียวสภาพจิตเดียวๆ เ, เนี่ยอย่างเดิมๆไปนองไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาทั้งกระแสชีวิตเรากับกระแสชีวิตของเขามันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดมันเป็นกรณีน่าศึกษาทั้งหมดเลยคําว่าศึกษาในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเสขาบุคคลเนี่ยคําว่าศิกขาแปลว่าข้อฝึก ถ้าศึกขาบุคคลเนี่ยแปลว่าบุคคลที่กําลังศึกษาหรือมีการศึกษาศึกษาไปจนจเป็นอเสขาอาเสขาก็แปลจบการศึกษาเป็นพระอาหารนู่นนี่จจบถ้าตราบใดยังเป็นบุรุษชนและเป็นยังเป็นพระอาริยะเบื้องต่ำตั้งหๆ ย, ยังต้องศึกษาอยู่ล่าไปใช่ไ okay. ชีวิตคือการศึกษาตลอดตลอดกว่าจะจบการศึกษาก็แปลว่าสามารถขจัดกิเลสในใจหมดได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือจบการศึกษานี่เป็นอย่างนี้ แต่ก่อนหนูไม่ได้มองโลกและชีวิตด้วยการศึกษานี่หมูมองแบบเสพมันเสพก็คือชอบกับไม่ชอบแล้วเฉยๆยหนูก็เจ็บปวดกับมันแต่ต่อไปเนี่เป็นบทเรียนอย่างมากต่อไปมองชีวิตมองโลกมองสภาพสังคมสิ่ง แ, ดแะะวดล้อมเป็นกรณีศึกษาทุกเรื่องแล้วหนูจะได้ประโยชน์อย่างแล้วจะเห็นความจริงพอเห็นความจริงพุ๊บหนูจะได้ประโยชน์จากมันทุกเรื่องทั้งเรื่องดีและไม่ดีมันเป็นประโยชน์หมดถ้าหนูมองอย่างนี้หนูจะเป็นคนที่เป็นโรงเรียนชีวิตนะ ระดับมือหอมาในโลกใบนี้<ม>เป็นโรงเรียนชีวิตเป็นหมาหมาหมหาวิทยาลัยที่น่าศึกษาที่สุดแต่มองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหนูก็จะโอ้ตื่นเต้นกันมาเมื่อเห็นความจริงของชีวิตพอมองเห็นเนี่ยมันจะเป็นโอ้มันน่าน่าศึกษาพอเห็นโอ้เป็นกรณีศึกษาเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะอย่างนี้ที่ผ่านมามันจะได้ชอบพอชอบปุ๊บการศึกษาหยุดเลย เอาตัวเข้าไปบัวชผันไม่ชอบปุ๊บผักออกเลยการศึกษาก็จบเลยแทนที่ได้ประโยชน์จากมันไม่ได้เลยนะเนี่ยนการการเสพเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เลยได้ชอบเพลินไม่ชอบก็ผักออกชอบประเพลินกับมันไม่ชอบกับผักออกหรือมันก็เฉยๆไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความเชื่อมั่นไม่ได้ความเกล้าไม่ได้สติสัมปชัญญะไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเทียบเข้าไปวิจัยแยกๆเสียหายหมดเลยนะ เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเรากลับไปมองใหม่เป็นกรณีศึกษาหมดหรือสามารถดึงข้อมูลเก่าๆมาศึกษาได้หมดไม่ต้องไปเครียดมันเลยกลับกลายเป็นตื่นเต้นอ๋อมันจะเห็นอ๋อตรงนั้นเราทําผิดทําถูกยังไงอ๋อเราควรวางท่าทีทางใจยังไงเอาแล้วเป็นกรณีศึกษาต่อไปเราจะไม่พลาดกันอีกอะไรเงี้ยนะเนี่ยมันก็ได้ได้เลยพอมองเห็นไหมยากไหมแบบนี้ไม่ยาก เลยอาจจะมาพอดีพอดีคิดเลยเด้อเขบอกว่าพอดีขึ้นเยอมมากคะคะดียังไงก็ก็ไม่ไม่ขึ้นขึ้นลงลงมากมากแต่แล้วค่ะแต่ถึงว่าก็ก็คิดได้แล้วก็ยังมีความปิติบ้างเล็กน้อยต่อวันแล้วค่ะอแต่ก็มีบ้างเวลาคิดอะไรออกมันก็มันอยู่ดีก็คิดว่าเขาเป็นเออถ้าเขาเป็นเนี่ยเจ้าก็เอ้ยเป็นเป็นเวนเจ้าเจ้าเวนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกอะไรแล้วค่ะมันก็ มันเออมันเห็นว่ามันก็จริงๆมันเขาตอนแรกเห็นแค่เขาว่แ บ, บอเสียดายจะมึงเสียดายถึงไะไรแต่พอมาคิดอย่างงี้ก็คิดว่าโอ้ดีเสียดายอะไ <ใน S 1> ตอนแรกตอนแรกเสียดายเพราะว่าเหมือนยังไม่เห็นยังไม่ได้เห็นข้อด้ยอยข้อดีคือเห็นแต่ข้อดีมาที่พระอาจารย์บอกว่าคิดถึงแต่เรื่องดีดอย่างเงาะค่ะทุกทุกทุกทุกอย่องเงี้กลัวเสียเข้าไปใช่เจ้าตอนนี้ยังกลัวอยู่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเจ้าค่ะตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วจริงๆริงนะเจ้าค่ะพัานาพูดได้อย่างเต็มปากเพราะว่ารู้สึกว่า เออมันคือถ้าสมมุติว่าที่ผ่านมาเพริว่าเพรก็บาดพอพอแล้วไว้แล้วค่ะคือเพก็ไม่อยากถ้าถ้าสมมุติว่าสามารถคุยกันดีๆได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพก็โอเคแต่ถ้าเราคุยกันไม่ได้จริงๆเพราะว่าด้วยทั้งสองคนเนี่ยเพก็ไม่อยากได้เพราะว่าเพริก็ไม่อยากเอาตัวเองลงไปแบบแบบนั้นแล้วอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วพก็รู้สึกว่าในอนาคตเพริก็เชื่อว่ามันจะคือในเมื่อถ้าเพริจะฝึกตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจค่ะคือถ้าเขาจะเป็นคนที่ อาจาจะไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ถ้าเขามาดึงเปนลงแบบนี้แผลอก็รู้สึกว่าเออเผลอก็จะดีใจที่ว่าอย่างน้อยเพหลุดออกมาได้แล้วก็ถ้าคนต่อไปแล้วก็คงจะมีความมีประสบการณ์ที่ที่เหมือนถึงว่ามีความรู้มากกว่านี้แล้วค่ะคือที่ผ่านมาก็ไม่รู้สึกว่าผพจผิดแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่มีความรู้พอเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เรืห<ช>รอว่า<ช>มันก็เลยเลเทะนิดนึงแต่ว่า แต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าถ้าได้มีความรู้แล้วสามารถพัฒนาได้จริงๆคือในอนาคตก็คงจะไม่ได้แย่กว่า น, นี้แล้วใช่ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าในเรื่องของงาตนตัวนี้เมื่อผงไม่ได้เจอคนที่ไม่ได้คงจะไปเลือกคนที่ทําให้ตัวทย์เป็นบาปแต่คืจริงๆมั น, มนบางทีโจทย์มันอาจจะยากขึ้นก็ได้อ <c oughs> <ช>ื่มใช่ จ, ชจ<ว>ะอ่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆในชีวิตจริงๆเนี่ยมันเมื่อบางครั้งเราอาจจะเจอโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นอ แต่มันจะซับซ้อนแค่ไหนจะยากแค่ไหนไม่มีไม่เกินปัญญาสิ่งที่หนูทำไม่ต้องทำอะไรเลยพัฒนาปัญญาขึ้นมาพัฒนาข้อมูลปัญญาห <c oughs> ลักการอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องเป็นคนขวายไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเลย <c oughs> เพียงแต่หนูพัฒนาตัวปัญญาข้อมูลความรู้เ <c oughs> นี่ยแล้วก็ประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เอามาเป็นบทฝึกแบบฝึกหัด ถ้าเราจะเจอแบบฝึกหัดใหม่เราก็จะสามารถตอบแบบฝึกหัดนั้นได้โดยละเอียดลเรอผ่านมันไปได้โดยชนิดที่ไม่ต้องเจ็บปวดมากเ<ม>ห็นแบบสอบถามปุ๊บหนูก็จะสามารถตอบมันได้แม้บอกแบบสอบถามมันจะยากเย็นอย่างไรด้วยปัญญาที่ฝึกมาได้อย่างดีมันจะมองเห็นทุกขั้นตอนและจะรู้ว่าควรจะตอบแบบสอบถามนี้ยังไงไอตรงเนี้ยมันสําคัญที่สุดเพราะจะมองเห็นไหมว่าเห็นค่ะ แตัวตัวนี้สำคัญตรงนี้แหละตัวแบบสอบถามเราก็รู้สึกอีกเรื่องว่าแต่ก่อนคิดว่าการหหวไมันใช่เรื่องไหญ่แรงขนาดนั้นก็ไ้ลยหยุดออกมาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ตอนนี้รู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะมีความเข็ดนิดนึงแต่ก็หวังว่ามันจะเข็ดเป็นนานๆในเรื่นําเกิดไหมเพราะตอนนั้นมันรู้สึกว่าไม่อยากฝืนจริงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้คือไปตั้งตั้งกรารกระบายไว้กันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่าไม่อยากโกรธแล้วจริงๆเพราะว่ามันมีพ่อเสียมากจริงๆแต่ว่าแต่ก่อนอาจจะไม่เห็นขนา น, นั้นก็เห็ว่ามันก็มีบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างเนี้หรอะจริงๆเราเคยใช้แล้วมันได้ประโยชน์ ม, มันรู้สึกว่ามันแก้ปัญหาได้เช่น เวลาเราจะถลึงตามองใครเนี่ยรู้สึกมันแก้ปัญหาได้ยช่คนนั้นจะไม่มามข้ายุ่งกับเราหรือถ้าเราใช้เสียงดังๆกับใครรู้สึกเขายอมทําให้เราเร็วคือมันก็เลยชอบที่จะใช้โทรศัพท์มันเหมือนว่ามันมั น, ม, นมันแก้ปัญหาได้เหมือนพวกเจ้านายจะใช้ลูกน้องหรือผู้บงังคับบัญชาจะใช้กับลูกน้องอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้โกรธแล้วก็พูดเสียงดังๆรู้สึกมันวิ่งทําให้เราเร็วหรือเกิดหนึ่งไหมนี่คือความไม่รู้จริง แต่รู้จริงเนี่ยมันจะเป็นคนที่ใช้ปัญญาในการพูดเห็นข้อบกพร่องของเขาเห็นอะไรเขาเนี่ยจะใช้เขากลับเป็นความปรารถนาดีที่จะให้เขาได้มีโอกาสฝึกได้มีให้เขามีโอกาสได้พัฒนาตันเองการจะใช้เขาอะไรเขาไม่ใช่ทําให้เขาทําให้เราแต่จริงว่าได้มีโอกาสให้เขาได้ฝึกผลพัฒนาเพราะมนุษย์เนี่ยศักยภาพของมนุษย์ ถ้าสามารถฝึกตนเองจนชำนาญได้หลายๆด้านแล้วมนุษย์คนนั้นจะเป็นมนุษย์ที่มีค่ามากฉนั้นเวลาเราจะรู้จักกับใครเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยยิ่งน้อมใจในการที่ปรารถนาจะฝึกกับเขาจริงๆฝึกให้เขาได้มีโอกาสฝึกตนเองจริงๆเห็นไหมมนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยมือนหนูเนี่ยถามว่าถ้าหนูไม่ไปเรียนไม่ไปฝึกงานไม่อะไรทั้งหลายเนี่ย ถามว่าคนอายุขนาดหนูเนี่ยบางคนค่าจ้างวันละสามร้อยยังไม่ได้เลยแต่พอไปฝึกด้านนี้จนชำนาญขึ้นมาเนี่ยทำไมมันอัพค่าตัวขึ้นมาได้ขนาดนี้อันนี้ขนาดฝึกแค่นี้ยังได้ขนาดนี้แล้วทั้งลองฝึกให้มันได้ทุกด้านดูสิมันเหมือนเพชรเลยนะมันเหมือนไงตัวทองเนี่ยที่มันมีมันผสมทั้งดีบุกทั้งตะกั่วทั้งโลหะทั้งเหล็กทั้งทองแดงนี่นะ ที่มันไม่ใช่มันมันแล้วมีทองผสมอยู่ด้วยนี่มันไม่ปลั่งมันไม่สุกมันไม่สามารถไปทําเครื่องประดับเป็นต้นได้แหวนสร้อยอะไรก็แต่ถ้าสกัดเอาเหล็กออกเอาโลหะออกก็ทองเหลืองออกเอาตะกั่วออกเอาเอาเงินออกไปไม่เหลือแต่ทองล้วนๆใช่ไหมอู้หมีค่าขึ้นมาเลยเนี่ยเนื่องกันมนุษย์เนี่ยจากที่ไม่ได้ฝึกกับที่ฝึกแล้วเนี่ยมันต่างกันมากบางที่ต้องฝึกให้มันรอบด้านนี่ ทั้งทักษะความรู้ศักยภาพทั้งหลายเนี่ยฝึกจนชำนิชำนาญขึ้นมาเอ็มนุษย์คนนี้มีค่ามากมันมีค่ามากเหมือนเราอยู่กับลูกน้องอยู่ก็ใช้นร่ำดิจริงๆแล้ถามทําไมฉันต้องให้คุณทําฉันต้องการให้คุณฝึกหนึ่งเป็นประโยชน์ด้วยฉันก็ฝึกด้วยคุณก็ฝึกด้วย <c oughs> คุณลองตั้งใจแล้วฝึกจริงๆดิฝึกให้มีศักยภาพให้รอบด้านดิคุณจะเป็นคนที่ต้องการไปนะที่ไหนเป็นคนมีศักยภาพมาก มันยังไม่อยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมมนุษย์ไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้มันพัฒนาได้อีกเยอะมากทุกด้านทั้งฝีมือทั้งทักษะทั้งคําพูดทั้งวิธีการกระบวนการความคิดปัญญาทั้งหลายฝึกเต็มหมดเลยทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาถ้านั้นฝึกเต็มที่จริงๆเนี่ยมนุษย์ไม่ธรรมดาเนี่ยทำไมเขากล้าจ้าง ก, กันบางคนเนี่ยจ้างเดือนหนึ่งเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยบางคนขนาดนั้น มนุษย์คนเดียวได้แท้เลยมันจ้างกันแพงขนาดนั้นใช่ไหมมันมีจริงๆริงไหมไม่มีนะคนระดับโลกระดับอะไรทั้งหลายนั่อย่างใ น, นแก๊กมาเนี่ยใครลงไปหามือที่ปรึกษาโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาในคนค น, คนนี้มันคิดอย่างเงี้ยนี่มันก็มาจะฝึกเนี่ยมาจะอีกเด็กเตะปุ่นแล้วนี่แหละว่า ง, งั้นเถอะบิลเกตเนี่ยนะก็มาจะฝึกทั้งนั้นแ่ะหรือใครที่คนไปตั้งเฟซบุ o กมาเด็กคนนี้ดูในในะบุคคลเหล่านี้ แต่ก่อนมันก็ไม่มีอะไรแต่มันฝึกตัวมันเองไงเนี่ยมนุษย์มันไม่ธรรมดาอย่างนี้มนุษย์ที่ฝึกตนเองแล้วเนี่ยมันประเสริฐจริงๆเนี่ยมันมีศักยภาพค่อนข้างมากงั้นทุกอย่างที่เราทําเราฝึกเนี่ยเราฝึกฝนพัฒนาเนี่ยแล้วมันไล้ขีดจํากัดคือมนุษย์เราเดยมันฝึกได้จนสูงสุดได้ฝึกจนเป็นพระพุทธเจ้ายังได้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วอย่างมนุษย์ธรรมดาเนี่ยฝึกตนเองจะกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้เลย อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าไม่ต้องมาพูดถึงคนละเรื่องกันเลยว่ามันเจอฝึกจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยฝึกไปฝึกไปที่สุดยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าได้ทางโลกไม่ต้องพูดถึ ง, งมีไว้ที่เราฝึกฝึกนี่ยมนุษย์มันมีขนาดนั้นเลยแต่โดยมากเราไม่คิดว่ามันฝึกโดยมากเราทําทําไปแล้วก็เอาและ้ะแค่นี้แล้วก็ชอบที่จะเป็นอย่างเดียวทําอย่างเดียวอย่างอื่นทําไม่เป็น ไม่เคยเราไม่เคยถูกฝึกแล้ววิชาการเราก็ถูกให้เรียนด้านใดด้านหนึ่งมันก็เอียงดิมนุษย์เนะเพราะพูดด้านกฎหมายไม่รู้พอพูดด้านประวัติศาสตร์ไม่รู้ถ้าพูดด้านวิศวะไม่รู้ถ้าพูดด้านเศรษฐศาสตร์ไม่รู้ถ้าพูดด้านดนตรีนี่มันไม่รู้เยอะเลยทั้งทั้งที่มันควรจะรู้ใช่ไหมมนุษย์เราเหตุผลตรงนี้แหละมนุษย์มันจึงกลายเป็นเออจึงกลายเป็นเอียง เอียงพราะเราไปรู้รู้น้อยแล้วรู้ช่องใดช่องหนึ่งมันก็เอียงไมปด้านใดด้านหนี้ถ้ารู้มันเป็นพื้นฐานมันสมบูเสียซึ่งซึ่งศักยภาพมนุษย์มันทําได้อยู่แล้วแล้วลองคิดดูที่ว่าอะไรมันรู้มันเข้าใจแต่เพียงว่าเราจะดําเนินชีวิตด้านไหนให้ชํานาญที่สุดด้านไหนก็ว่าอีกทีแต่ว่าพื้นฐานมันต้องรู้ใช่ไหมนี่โดยมากเราไม่เคยถูกปลูพมมาแบบ น, นี้นี่คือระบบ ก, การศึกษาที่มันมันแย่ เพราะผู้วางระบบการศึกษาก็ไม่เข้าใจระบบของมนุษย์ไม่เข้าใจมนุษย์ที่แท้จริงใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเข้าใจนะ <c oughs> ก็วางระบบพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าทางโลกจบมาสิบแปดศาสตร์ใช่ไหมสิบแปดศาสตร์เนี่ยคนจบมาสิบแปดศาสตร์ลองคิดดูแล้วแล้วลมีฐานข้อมูลความรู้ทั้งหมดเนี่ยแล้วถามว่าจะมาด้านไหน นั้นเวลาใครจะไปโต้ ว, วาท้ากับพระเจ้าเนี่ยโอ้โหจะไปโต้เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องศาสตร์อะไรพระเจ้าต้งบอกว่าถ้าคนรู้แต่รู้คุยกันเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันเทิงใจนะถ้าคุยเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นอมีคนคนหนึ่งไปคุยไปคุยเรื่องว่าเนี่ยว่าพรามณ์เนี่ยเป็นเป็นเผ่าพันธุ์ที่บริสุทธิ์ที่สุดพวกพรามเนี่ยบ ร, ริสุทธิ์ที่สุด เพราะเกิดจากปากของปากของพรมว่า ก, กันเถอะพระเจ้าเธอไม่รู้จริงเธอก็รู้ๆอยู่ตัวเธอเองเนี่ยออกมาจากท้องของใครก็ยกก็นางพระมณีก็คือแม่ของเธอเธอก็คลอดออกจากไอจากไอจากแม่ใช่ไหมคออกมาจากไอช่องคลอดของแม่ แล้วจะไปบอกว่าเกิดจากปากของพรมได้ยังไงว่าพระพมสร้างยังไงพระพรมบันดาลยังไงก็เห็นเห็นอยู่แล้วก็สืบทอดให้ดูเลยประวัติศาสตร์พุทธเจ้าเล่าให้ฟังประวัติศาสตร์ขึ้นมาอย่างไงเริ่มตั้งตั้งเริ่มว่ามีมนุษย์กลุ่มไหนที่ไปนับถือว่ามีพระพมเป็นผู้สร้างใครเป็นคนแรกโอ้รู้หมด เนี่ยมันมันมันเรื่องระบบระบบการปกครองระบบต้องการอยากเป็นใหญ่ระบบต้องการอยากจะจะครอบงำสังคมยังไง ร, ระบบพวกนี้ก็มาตั้งขึ้นมาว่าตนเองเป็นพราหม์แล้วก็ไปตั้งคนนั้นเป็นกลุ่มกษัตริย์คนนั้นเป็นแพทย์นิสูรนิจันทังจะไปเจอคนรู้จริงอย่างเงี้ยยก่งหมเหมือนกันเนี่ยกรณีแบบเนี้ยเนี่ย น, น, นี่คือความรู้ไงความรู้เนี่ยมันมันมันมันขนาดนี้ไหนะว่าเออถ้ารู้จริงๆริเสียมันเล่าได้หมด หรือจะเล่าอาดีตชาติพระเจ้าก็มีวิชาตัวนี้อีกรู้เลยเนี่ยอดีตเป็นอะไรมาอย่างไงและรู้ด้วยว่าอนาคตเนี่ยจะไปเป็นอะไรยังรู้เขาอย่างนั้นก็อีกถ้าน้อเดิมชีวิตอย่างเงี้ยจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าถ้าคนรู้ต่อรู้ใช่ไหมมาคุยกับพระยาพระเจ้าก็จะนั่งเล่าอีกครังแล้วจะบอกด้วยท่ามไปว่าไอ้ที่รู้ตรงนั้นมันมีนมอะไรบังอยู่ก็ <c oughs> ไปบอกให้ดูว่าอันี้ถ้าถ้าทําอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะไม่บงังไม่มีอะไรซ่อนเล่นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น เห็นไหมว่าเนี่ยระบ บ, บลักษณะนี้ยถ้าหนูพัฒนาตัวปัญญาตัวนี้ขึ้นมาในเข้าเนี่ยหนูไปที่ทํางานหนูก็จะไม่ขัดเคืองยังไปขัดเคืองได้ไงหนูมองออกหมดทุกอย่างหนูสแกนได้หมดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องถ้าอันไหนยังไม่ได้ปุ๊บหนูก็เพียงขีดเส้นใต้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะศึกษาไปนี่ดูกลับมาก็ศึกษาศึกษาก็รู้ขึ้นมา ตรงไหนก็ไม่ขัดเคืองอันนี้มันคิดไม่ออกก็เขียนเป็นไรเลยก็เก็บไว้ก่อนเมื่อคิดออกเมื่อไรเมื่อมีเวลาเมื่อไรจะคิดต่อเราไม่ยอมจำหนนกับมันตรงนี้วันหนูจะคิดไอออกแบบอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมโอเคตอนนี้สมาธิยังไม่ค่อยดีเดี๋ยวไปตั้งหลักใหม่ทําจิตให้สงบวางทุกอย่าง พราะสงบสงบเพราะจิตสงบปุ๊บเอาจิตที่สงบนั้นเป็นฐานแล้วก็กลับมาคิดนโอ้โหเติมทุโลนมันมีฐานหมดเลยนะวิธีการที่จะทําปัญญาให้เกิดยังไงเนี่ยหนูจะเป็นระดับโลกยังได้เลยอถ้าความสามารถถ้าฝึกได้จริงๆระดับโลกยังได้เลยจะเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกยังได้เล ย, เล ย, เลยใช่ไหมล่ะมันทําได้ถ้าหนูลองตั้งกันไว้อะฉันจะต้องประสบความสาเร็จในด้านนี้ได้มันได้จริงๆนะแล้วมันไม่หยุดเนี่ย มันศึกษามันวิจัยมันคน้นคว้าตลอดแล้วไม่ได้ทํำเหมือนคนไทยที่ก็ทําไม่ใช่เป็นนักกอลคนนั้นกอลคนนี้ด้วยเ อ, อเป็นคนที่เป็นคนที่มีฐานมีกระบวนการความคิดมีขั้นตอนมีหลักการทํางานมีระบบการวิจัยด้วยมันก็ไปได้ทั้งหมดเพียงแต่ ว, ว่าเออนี่ยห็นไหมพระเจ้าเนี่ยบอกไหมกระทั่งวิธีการที่จะฝึกตนเองพัฒนาตนเองไงให้ประสบความสำเร็จยังไงพอมองเห็นไหมคิดว่ายากไหม ไม่อะโอเคสาุ